ในชีวิตของคุณบ่อยครั้งที่คุณพบกับเหตุการณ์ลายอย่างที่ทำให้คุณแปลกใจคุณอาจกำลังนึกถึงใครบางคนที่คุณไม่ได้เจอเขามาตั้งนานแล้วในทันใดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและเขานั่นเองที่โทรมาช่่งบังเอิญจริงๆคุณอาจคิดเช่นนั้นอย่างไรก็ต่าง โชคดวงและความบังเอิญเล็กๆน้อยๆได้นำพาชีวิตผู้คนเปลียปล่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดฝันมานักต่อนักแล้วและบางครั้งได้ทิ้งผลกระทบที่สำคัญมากไปตราชั่วชีวิตในหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้คุณเข้าใจถึงความในและข่าวสาร ที่ความบังเอิญเหล่านั้นต้องการบอกคุณแล้วคุณจะรู้ล่วงหน้าได้ถึงความเป็นไปได้และได้รับประโยชน์อย่างไม่มีสิ้นสุดนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่คุณจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความดีให้เป็นของตัวเองในทุกด้านของชีวิตคุณโชคดวงความบังเอิญ จะไม่บังเอิญอีกต่อไปสำหรับคุณคุณจะควบคุมและกาหนดพวกมันได้ด้วยความเข้าใจในข่าวสารของพวกมันคุณจะเปิดประตูไปสู่ความสมหวังในทุกความปรารถนาของคุณหนังสือเล่ม น, นี้สมศักดิ์สิกับการที่มันขายดีที่สุดและบางทีอาจเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยอ่านมาจงอ่าน และฝึกฝนทุกสิ่งในหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นอย่างสายฟ้าแลกดีพักโชปราสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวันและทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกล หรือสถานพิสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ณอีกซีกโลกหนึ่งรวมทั้งที่นี่ในชีวิตของเราเองมันโผล่พุ่งขึ้นมาจากแหล่งกาเนิดที่ซ่อนอยู่มันอยู่รอบตัวเราตามโอกาสต่างๆและหายไปมันเหมือนกับดาวตกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราเห็นดาวตก เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์เพียงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่นความเป็นจริงแล้วมีดวงดาวมากมายที่พุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นในเวลากลางวันเท่านั้นเองเนื่องจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ทำให้สายตาของเราพร่าเลือนและในตอนกลางคืน ก็จะปรากฏขึ้นถ้าเราได้มองอยู่มันในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งท้องฟ้าเปิดและมืดสนิทเท่านั้นเองถึงแม้เราจะคิดว่าสิ่งอัศจรรย์เป็นเรื่องประหลาดแต่มันยังคงแล่นผ่านจิตสำนึกของเราทุกวันเราสามารถเลือกได้ว่าจะสังเกตเห็นมัน หรือเพิกเฉยมันก็ได้โดยไม่สนใจว่าชะตาชีวิตของเราอาจแขวนอยู่กับความสูงดุลของมันจงปรับให้เข้ากับสิ่งอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นแล้วในพริบตาเดียวชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจน่าพิศวงและน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ ถ้าคุณเพิกเฉยมันโอกาสที่จะหลุดลอยไปตลอดการและคำถามก็คือถ้าคุณพบกับสิ่งอัศจรรย์นั้นคุณจะรับรู้มันได้หรือไม่และถ้าคุณรับรู้ได้คุณจะทาอะไรและถ้าคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองได้ วิธีใดก็ตามคุณเลือกจะทําอะไรนอกเหนือจากตัวตนที่เป็นร่างกายของคุณนอกเหนือจากความคิดและอารมณ์ของคุณมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในตัวคุณที่มีความเป็นไปได้สําหรับทุกสิ่งอย่างแท้จริงณสถานที่แห่งนั้น ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้แม้แต่สิ่งอัศจรรย์หรือโดยเฉพาะสิ่งอัศจรรย์ดินแดนส่วนนี้ที่อยู่ในตัวคุณประสานกับทุกสิ่งที่ดำรงอยู่และทุกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นผมอุทิศชีวิตของผมให้กับการค้นคว้าและการสอนวิธี ต, ต่างๆที่จะก้าว ไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อว่าเราจะสามารถนำกลับมาชี้นำและพัฒนาชีวิตของเราทั้งด้านวัตถุอารมณ์ร่างกายและด้านจิตใจในหนังสือเล่มก่อนๆผมได้เน้นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเฉพาะด้านตัวอย่างเช่น ผมเขียนเน้นเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์การค้นหาหนทางสู่ความรักและการค้นพบวิธีที่จะรู้จักกับใจแต่ในหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายที่กว้างกว่านั้นคือเพื่อนแนะแนวแนวทางในการค้นพบสัจธรรมที่ลึกซึ้งซึ่งตั้งอยู่เบื้องหลังภาพลวงตาในชีวิตประจำวัน และด้วยการกระทํานั้นคุณจะค้นพบชะตาชีวิตที่แท้จริงของคุณและวิธีการสร้างมันขึ้นมานี่คือวิธีทางสู่ความสําเร็จและนําไปสู่ความรู้แจ้งในที่สุดเป็นเวลากว่าสิปีแล้วที่ผมสนใจความคิดที่ว่าเหตุบังเอิญ น, นั้นเกี่ยวข้องกับการแนะแนวทางและการปรับ แต่งชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนต่างก็เคยประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งน่าประหลาดใจหรือเล้งหลับ mm hmm. เช่นคุณอาจกำลังทำความสะอาดตู้ใบหนึ่งและพบของขวัญที่ได้รับจากคนที่คุณไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอีกชั่วโมงต่อมา คนคนนั้นก็โทรมาหาคุณโดยไม่มีปีไม่มีขลุย่ยหรือว่าคุณอาจจะอ่านบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการทดลองรักษาโรคมะเร็งผิวหนังและด้วยเหตุผลใดไม่ทราบคุณก็ตัดสินใจเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้อีกหนึ่งเดือนต่อมาญาติของคุณโทรมาบอกว่าเขาเพิ่งไปตรวจร่างกาย และพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งในเนื้อหาบทความที่คุณเก็บไว้นั้นทรงผลต่นแนวทางการเลือกรักษาของเขาและลงเอยด้วยการรักษาชีวิตของเขาไว้ได้รถของคุณอาจจะเสียอยู่บนถนนสายเปลี่ยวและทันทีที่คุณสงบสติได้หลังจากที่ติดแงกอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมง รถคันแรกที่ผ่านมาก็คือรถลา่าคุณสามารถมองว่าช่วงเวลาเช่นนั้นเป็นเหตุบังเอิญได้หรือไม่แน่นอนมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญก็ได้แต่ถ้ามองให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นก็สามารถเป็นเสี่ยวหนึ่งของปาฏิหาริย์ได้เช่นกัน แต่และครั้งที่เราพบเหตุการณ์เช่นนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่ใส่ใจกับมันเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปตามเรื่องตามราวในโลกอันวุ่นวายใบหนึ่งหรือเราเลืมที่จะรับรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตซึ่งมันอาจที่สุดให้คุณเห็นก็เป็นได้ ผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้นไม่มีความหมายแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านั้นทุกเหตุการณ์เป็นข่าวสารเป็นการบอกใบ้บอกใบ้เป็นในเกี่ยวกับชีวิตด้านหนึ่งของเราซึ่งเราควรสนใจคุณเคยฟังเสียงเงใจที่เงียบสงบอยู่ลึก ลงไปภายในตัวคุณหรือไม่คุณเคยรับรู้ความรู้สึกจากส่วนลึกเกี่ยวกับบางสิ่งหรือใครบางคนหรือไม่เสียงในใจและความรู้สึกจากส่วนลึกนั้นเป็นรูปแบบของการสื่อสารซึ่งมักกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การเอาใจใส่อย่างมาก เหตุบังเอิญก็เป็นรูปแบบของข่าวสารอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเมื่อคุณใส่ใจกับมันคุณจะสามารถเรียนรู้การได้ยินข่าวสารต่างๆนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจพลังต่างๆที่สร้างเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นคุณก็จะสามารถควบคุมพลังเหล่านั้นและสร้างเหตุบังเอิญที่มีความหมายของตัวคุณเองได้ เป็นฉับชจงใช้ประโยชน์จากโอกาสทั้งหลายที่สิ่งเหล่านั้นนำเสนอและพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ตลอดเวลาและความประหลาดใจในทุกขณะโรามักจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กังวลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้และตื่นเต้น กับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมืนเด็กที่เล่นซ่อนหาใจหนึ่งก็อยากให้เขาหาเจอแต่ใจหนึ่งก็หวังว่าเขาจะหาไม่เจอหรือบางทีก็กัดเล็บเวลาที่รอคอยสิ่งใดอย่างคาดหวังเมื่อโอกาสนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะรู้สึกกังวล และเมื่อความกลัวเป็นฝ่ายชนะเราก็จะหลบซ่อนอยู่ภายใต้เงามือ่อนี่ไม่ใช่วิธีที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้คนที่เข้าใจแก่นแท้ของความเป็นจริงหรือความเชื่อบางความเชื่อจะเรียกคนเหล่านั้นว่าผู้รู้แจง้งซึ่งล้วน เป็นคนที่ปราศจากความรู้สึกกลัวหรือความกังวลไรซึ่งความกลัดกุ้มั้าวงเมื่อคุณเข้าใจวิธีที่ชีวิตทำงานจริงๆทั้งในเรื่องกระแสของพลังงานสสารสติปัญญาซึ่งสั่งการอยู่ทุกขณะ เมื่อ น, นั้นคุณจะเริ่มเห็นพลังที่น่าทึ่งคุณจะไม่รู้สึกรำคาญกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปคุณจะมีจิตใจที่สบายและเต็มไปด้วยความสุขนอกจากนี้คุณจะเริ่มพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมากขึ้นในชีวิตเมื่อคุณใช้ชีวิตของคุณไปกับการชื่นชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ รวมถึงความหมายของเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วคุณจะสามารถติดต่อกับดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งซ่อนเลนอยู่นี่คือเวลาที่ความอัศจรรย์เริ่มต้นขึ้นนี่คือสภาวะหนึ่งที่ผมเรียกว่าการลึกขิดชีวิตยางประจวกหมาะ ในสภาวะนี้มันเป็นไปได้ที่ความปรารถนาทุกประการของเราจะบรรลุผลได้เองการลึกขิดชีวิตอย่างประจดเหมาะต้องใช้การเข้าใจในดินแดนที่ลึกซึ้งภายในตัวคุณเองขณะเดียวกันก็ตื่นขึ้นสู่การเคลื่อนไหวไปตามจังหวะอันประณีตของเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวัตถุนี้ มันต้องใช้การเข้าใจในธรรมชาติอันลึกซึ้นของสิ่งต่างๆการรับรู้ถึงแหล่งกำเนิดของพลังที่ซ่อนเร้นซึ่งสร้างจักรวาลของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมทั้งมีความตั้งใจที่จะแสวงหาโอกาสเฉพาะต่างๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันปรากฏขึ้นให้เห็น ก่อนที่เราจะลึกลงไปในหัวข้อนี้ลองทำการทดลองเล็กๆนี้ก่อนโดยหลับตาของคุณและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้กระทำมาตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปล่อยให้ความทรงจำของคุณย้อนกลับไปจากจุดที่คุณอยู่ ในขณะนี้ไปสู่จุดที่คุณอยู่เมื่อวานในเวลาเดียวกันนี้พยายามเก็บรายละเอียดในสิ่งที่คุณได้กระทำมาแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากภาพในใจของคุณและความคิดต่างๆที่ได้ผ่าน เข้ามาในจิตใจของคุณรวมทั้งความรู้สึกต่างๆที่ได้กระทบจิตใจของคุณ ขณที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่นี้เลือกหัวข้อสัตว์เรื่องหนึ่งจากช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเพ่งความสนใจไปที่ความคิดนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือน่าตื่นเต้นขอให้เป็นเพียงสิ่งที่คุณจำได้ว่าเกี่ยวข้องกับมันในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมา ถ้าคุณไปที่ธนาคารคุณอาจเลือกเรื่องเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินถ้าคุณไปพบแพทย์ตามที่นัดไว้คุณอาจเลือกเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ถ้าคุณเล่นกอล์ฟหรือเทนนิสคุณก็สามารถเลือกเกี่ยวกับกีฬาและพิจารณา เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้นสักสองสามวินาทีคราวนี้นึกย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วโดยเริ่มจากการเพ่งความสนใจจากวันนี้แล้วค่อยนึกย้อนกลับไปทีละปี ีจนกระทั่งคุณย้อนกลับไปถึงวันที่เดียวกันนี้เมื่อห้าปีก่อนลองดูว่าคุณสามารถนึกถึงสถานที่ที่คุณเคยอยู่และสิ่งที่คุณเคยทําในครั้งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนพยายามนึกภาพชีวิตของคุณในครั้งนั้นให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ จนเมื่อสามารถคุณสร้างภาพในใจเกี่ยวกับชีวิตของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วได้ชัดเจนขึ้นจึงเริ่มยกหัวข้อหรือเรื่องราวที่คุณเลือกไว้จากสิ่งที่คุณได้ทำเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วขึ้นมาเช่นหัวข้อด้านการเงินสุขภาพหรือศาสนาอะไรก็ต่าง เรานี้เก็บรายละเอียดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆตลอด5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้ได้มากที่สุดพยายามนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณภายใต้ขอบเขตของหัวข้อที่คุณเลือกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ คุณอาจนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเคยเป็นการที่โรคนั้นทําให้คุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมอจากคนนี้เป็นคนนั้นวิธีที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่และสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านอื่นๆของคุณอย่างไรหรือคุณอาจเลือกการอดอาหารหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นไปได้อีกร้อยพันอย่าง จงลงมือทำทันทีและเริ่มแบบฝึกหัดนี้เสียแต่เดี๋ยวนี้ ขาดที่คุณคิดว่าหัวข้อที่เลือกนั้นส่งผลดีต่อชีวิตคุณอย่างไรและมีผลกระทบต่อชีวิตคุณในปัจจุบันนี้อย่างไรผมแน่ใจว่าคุณคงค้นพบเหตุบังเอิญต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีชีวิตของคนจำนวนมากที่ขึ้นอยู่กับการพบกันโดยบังเอิญหรือชะตาชีวิตที่พลิกผัน หรือแม้แต่แนวทางที่เปลี่ยนไปสู่ทิศทางใหม่ได้โดยฉับพลันแต่แล้วก็มีทีท่าว่าหัวข้อที่คุณเลือกเพียงข้อเดียวนั้นจะเกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ อ, อีกมากมายในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าหัวข้อนั้นอาจดูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นักในตอนแรกการเก็บรายละเอียดในชีวิตของคุณในลักษณะนี้ ทำให้คุณเข้าใจถึงบทบาทของเหตุบังเอิญที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วคุณจะค้นพบว่าแม้แต่รายละเอียดเปลี่ยนย่อยเพียงน้อยนิดที่เปลี่ยนไปก็อาจทําให้ชีวิตของคุณลงเอยในรูปแบบอื่นกับคนอื่นที่แตกต่างจากเดิมทํางานอื่น ดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ตอนที่คุณคิดว่าคุณได้กาหนดและวางรูปแบบของชีวิตของคุณไว้หมดแล้วสิ่งต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นซึ่งช่วยปรับแต่งชีวิตของคุณในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเหตุบังเอิญต่างๆ หรือสิ่งอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของคุณเป็นการบอกโดยนาว่าจักรวาล น, นั้นได้จัดวางแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดไว้ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคาดคิดให้กับคุณแล้วสําหรับชีวิตของผมซึ่งคุนอื่นอาจมองว่ามันถูกวางแผนไว้แล้ว เป็นอย่างดีกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจอยู่เสมอในอดีตของผมก็เช่นกันมันเต็มไปด้วยเหตุบังเอิญที่ผมสังเกตได้ซึ่งชี้นำผมจนกลายเป็นตัวผมในทุกวันนี้พ่อของผมรับราชการในกองทัพแห่งสาธร า, ารณรัฐอินเดียในตำแหน่งแพทย ประจําตัวของท่านหลอดเมาแบเทนแมททับอังกฤษซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งสหราชอาณาจักรท่านสุดท้ายประจําสาธารณรัฐอินเดียในช่วงที่พ่อผมปฏิบัติภารกิจเขาได้รู้จักกับท่านผู้หญิงของท่านหลอดเมาแบเทน คุณนเคยจนกลายเป็นเพื่อนกันและด้วยความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนี้เขาจึงได้รับการแนะนำให้ขอทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัย อ, อายุรแพทย์และเมื่อเขากลายเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้นทำให้เขาต้องเดินทางไปอยู่ประเทศอังกฤษในขณะที่ผมอายุราวหกขวบ หลังจากนั้นไม่นานแม่ของผมก็เดินทางจากอินเดียไปอยู่กับพ่อสักระยะหนึ่งผมอยู่กับน้องชายจึงต้องอยู่ในการดูแลของปู่และย่าของผมเด แ, แล้ววันหนึ่งพ่อของผมก็ส่งโทรเลขมาจากอังกฤษแจ้งว่าเขาสอบผ่านหมดทุกวิชาแล้ว มันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งวันที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนปู่ของผมภูมิใจกับความสำเร็จของพ่อมากเขาพาเราออกไปเลี้ยงฉลองกันไม่เคยมีวันไหนในชีวิตย้าวัยของผมที่น่าตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยปู่พาเราไปดูหนังเที่ยวสวนสนุกและกินอาหารนอกบ้านทั้งครอบครัว แถมยังอ่านหนังสือซื้อของเล่นและขนมให้เราด้วยวันนั้นทั้งวันเป็นวันที่รุ่งโรดไปด้วยกระแสแห่งความสุขที่เต็มเปีย่ยมแต่คืนนั้น ผ ม, ผมกับน้องชายต้องตื่นขึ้นผมกับน้องชายต้องตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องไห้พร่ำครวญ มันเป็นเสียงร้องไห้ยังเจ็บปวดรวดร้าวของผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในบ้านถึงแม้ว่าขณะนั้นเราจะไม่รู้สาเหตุนั้นในทันทีแต่ต่อมาเราก็รู้ว่าปู่เสียชีวิตลงแล้วร่างของเขาถูกนำไปเผา และนำเข้ากระดูกเป็นลอยอังคารในแม่น้ำคงคาสิ่งนี้กระทบจิตใจของผมและน้องชายอย่างมากผมนอนไม่หลับอยู่หลายคืนสงสัยว่าปู่ของผมจะไปอยู่ที่ไหนและดวงวิญญาณของเขาจะยังคงอยู่ในรูปแบบบางอย่างหลังจากที่เขาตายแล้วหรือไม่ แต่น้องของผมมีปฏิกิริยาที่ต่างกันผิวหนังของเขาเริ่มลอกราวกับว่าถูกแผดเผาอย่างแรงไม่มีเหตุผลสำหรับกายภาพสำหรับอาการนี้ดังนั้นเราจึงต้องไปปรึกษาแพทย์ตั้งหลายที่แพทย์ท่านหนึ่งระบุว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและสร้างความเจ็บปวดในชีวิตของเรา อาจทำให้น้องชายของผมรู้สึกอ่อนแอและไม่มั่นคงผิวหนังที่หลุดลอกออกมานั้นเป็นสัญญาณภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่มั่นคงนั้นคุณหมอคาดว่าการหลุดลอกของผิวหนังนี้จะหายเมื่อพ่อกับแม่ของผมกลับมาถึงอินเดียแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อพวกเขากลับมาอาการนี้ก็หายไปเมื่อผมมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหล่านี้ผมพบว่ามันเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ก่อกำเนิดชีวิตการทำงานของผมผมค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของดวงวิญญาณ และศึกษาความสัมพันธ์ด้านร่างกายและจิตใจที่มีต่อสุขภาพการเลือกอาชีพของผมเองนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ยาวมากเรื่องหนึ่งซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่พ่อของผมเป็นเพื่อนกับท่านผู้หญิงของท่านหลอเมาเบตินเหตุการณ์อื่นๆที่ดูเหมือนเกิดขึ้นไปตามเรื่องตามราว ก็ยังมีผลต่อตัวผมต่อไปตอนที่ผมเป็นนักเรียนผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อออปโปเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาได้เยี่ยมยอดมากเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องเขียนเรียงความในชั่วโมงภาษาอังกฤษเขาจะได้คะแนนสูงสุดเสมอซึ่งผมอยู่กับเขาแล้วสนุกมากสิ่งใดที่ออปโปททำ ผมก็อยากทำด้วยเมื่อออโปรดได้ตัดสินใจว่าเขาอยากจะเดินตามอาชีพนักเขียนผมก็ตัดสินใจเลือกแบบนั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามพ่อของผมเคยฝันไว้ว่าอยากให้ผมเป็นหมอเมื่อเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมบอกเขาว่าไม่ครับพ่อ ผมไม่อยากเป็นหมอผมไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เลยสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ผมอยากเขียนหนังสือครับหลังจากนั้นไม่นานในวันเกิดอายุ14ปีของผมพ่อให้หนังสือที่ดีมากแก่ผมหลายเล่มได้แก่ Of human bondage, of W. Somerset Maugham, arrows m mm e -hmm. t t Magnificent obsession, of l y c Douglas. Mm -hmm. ถึงแม้ว่าผมพอ่อไม่ได้บอกอะไรกับผมตอนนั้น แต่หนังสือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอทั้งสิ้นมันสร้างความประทับใจอันลึกซึ้งจนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในตัวผมให้ปรารถนาที่จะเป็นหมอเช่นกันสำหรับผมการเป็นหมอดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสำรวจทางด้านจิตใจ ผมคิดว่าถ้าผมสามารถเปิดเผยความลึกลับของร่างกายมนุษย์ได้บางทีผมอาจจะสามารถลึกลงไปในระดับของจิตวิญญาณได้ในสักวันหนึ่งและถ้าผมไม่ได้พบกับออปโป้ผมก็คงไม่ได้พัฒนาการอ่านและการเขียนที่ผมรักและถ้าพ่อของผมไม่ได้ปฏิบัติกับผมเช่นนี้ ถ ederim, ้าเขาดูว่าผมที่ผมตัดสินใจที่จะเป็นนักเขียนแทนที่จะผลักดันให้ผมกลายเป็นหมอด้วยหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์เหล่านั้นผมก็อาจจะไปเป็นนักข่าวแล้วก็ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ท่านผู้หญิงของท่านหลอดเมาแบอเทน มาสู่พ่อของผมปู่ของผมน้องชายของผมจนถึงอับโปกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันเรากลาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นั้นเป็นกลอุบายในการสร้างอดีตของผมและนําผมไปสู่ชีวิตที่ทําให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริงในทุกวันนี้ คนแต่และคนอยู่ท่ามกลางโครงข่ายของเหตุบังเอิญที่เดิมใจเราและช่วยชี้นำแนวทางชีวิตให้เราและณเวลานี้ชะตาชีวิตของผมก็ได้ชักนำให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อสื่อสารกับคุณผ่านตัวหนังสือบนหน้านี้เพียงแค่ความจริงที่ว่าคุณกำลังอ่านตัวหนังสือเหล่านี้อยู่ในขณะนี้ หรือการที่คุณเดินเข้าไปในห้องสมุดหรือร้านหนังสือแล้วเจอหนังสือเล่มนี้คุณตัดสินใจที่จะเปิดหนังสือและใช้เวลาและพลังงานในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจิดชีวิตอย่างประจบเหมาะนี่ก็เป็นเหตุบังเอิญอย่างหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่อาจเป็นจุดพลิกผันของชีวิตได้ และสถานการณ์ใดล่ะที่นำพวกคุณมาพบกับหนังสือเล่มนี้ทำไมคุณจึงเลือกหนังสือเล่มนี้ในบรรดาหนังสือเล่มอื่นๆอีกเป็นพันเล่มคุณคิดว่าคุณน่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้างหลังจากอ่านย่อหน้านี้ที่เป็นบทเกริ่นนำ ของหนังสือเล่มนี้อย่างไรก็ตามการมองเห็นโครงข่ายของเหตุบางเอื่นในชีวิตเรานั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการเข้าใจและการทำให้การล็กขิดชีวิตอย่างประจบเหมาะมีชีวิตขึ้นมาและขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมา คือการพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับเหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้นซึ่งการย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าคุณสามารถสังเกตเห็นเหตุบังเอิญได้ในขณะที่เกิดนั้นคุณจะได้เปรียบการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เหตุบังเอิญ น, นำมาสู่คุณเช่นการรับรู้ เปลี่ยนไปสู่พลังงานยิ่งคุณสนใจในเหตุบังเอิญมากเท่าใดแนวโน้มที่มันจะปรากฏขึ้นก็มีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าคุณเริ่มเข้าถึงข่าวสารที่ถูกส่งมาให้คุณเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางของชีวิตมากขึ้นและมากขึ้น และขั้นตอนสุดท้ายของการวิกิตรชุดอย่างประจบเหมาะจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณ ะ, ะหนักถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสรรพสิ่งทั้งมวลวัดแต่และอย่างส่งผลต่อสิ่งอื่นอย่างไรและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นสอดคล้องต้องกันได้อย่างไรสอดคล้องต้องกันเป็นภาษาพูดของคําว่าอิน ซิงโครนีซึ่งหมายถึงการปฏิบัติที่พร้อมเพลียนกันและเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันลองนึกภาพปลาฝูงหนึ่งที่ว่ายไปในทิศ ท, ทางเดียวกันฉับพลันปลาทุกตัวก็ว่ายเปลี่ยนไปอีกทิศ ท, ทางหนึ่ง มันไม่มีผู้นำที่คอยบอกทางและไม่เคยมีความคิดที่ว่าปลาที่อยู่ข้างหน้ามันว่ายไปทางซ้ายมันก็จะต้องว่ายไปทางซ้ายทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันซึ่งความพร้อมเปลี่ยนกันนี้ถูกสรรสร้างขึ้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่กระจายทั่วไปและตั้งอยู่ณแกนกลางของธรรมชาติ พลังนี้ปรากฏอยู่ในตัวของเราตัวของเราแต่ละคนโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยพื้นฐานทังด้านจิตวิญญาณแล้วสิ่งต่างๆมากมายจะเกิดขึ้น เราจะกลายเป็นคนที่จร ะ, ะนักรู้ถึงรูปแบบต่างๆที่ละเอียดอ่อนและจังหวะที่สอดคล้องกันซึ่งควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดเราจะเข้าใจช่วงเวลาของความทรงจำและประสบการณ์อันยาวนานที่หล่อหลอมให้เราเป็นบุคคลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ความกลัวและความกังวลสูญหายไปขณะที่เรารู้สึก ต ล, ลาดใจกับการเป้าดูโลกขณะที่มันเผยตัวออกมาเราจะสังเกตเห็นโครงข่ายของเหตุบังเอนนิญนี้อยู่รายรอบตัวเราซึ่งเราจะพบว่าทุกเหตุการณ์นั้นมีความหมายแม้แต่เหตุการณ์ที่เล็กที่สุดก็ต่างเราจะค้นพบว่าเมื่อเราใส่ใจ และมีความตั้งใจต่อเหตุบังเอิญเหล่านี้เราจะสามารถกำหนดผลที่ตามมาในชีวิตของเราได้เราจะเชื่อมต่อกับทุกคนและทุกสิ่งในจักรวาลรับรู้ถึงจิตวิญญาณที่ทำให้เราทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเผยให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ที่ซ่อนลึกอยู่ภายในตัวเรา และยินดีไปกับความรุ่งโรจน์ที่ค้นพบใหม่นี้เราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชะตาชีวิตของเราอย่างมีสติให้เป็นการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยไร้ขีดจำกัดตามที่ตั้งใจไว้ด้วยการกระทำเช่นนี้เราจะสมหวังตามความฝันที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจและขยับ เข้าใกล้เข้าสู่ความรู้แจ้งมากขึ้นนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของการลิขิตชีวิตสิ่งมหัศจรรย์ของการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะในเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้แบ่งเป็นสองภาคภาคที่หนึ่ง เป็นการศึกษาการทำงานเชิงกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของเหตุบังเอิญความประจวบเหมาะของเหตุการณ์ต่างๆและการลิกิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะซึ่งมันจะตอบคำถามที่ว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรและภาคที่2นั้นจะครอบคลุมหลักการการลิกิดชีวิต อย่างประจบเหมาะทั้งเจ็ประการพร้อมทั้งแผนปฏิบัติในเวลาแต่ละวันเพื่อนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้และตอบคำถามที่ว่าสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอะไรสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่บรรลุเป้าหมาย ผู้ที่เคยอา่านหนังสือเล่มก่อนๆของผมอาจพยายามที่จะข้ามไปสู่บทเรียนต่างๆแต่การนำเสนอความคิดในคราวนี้มีความแตกต่างเล็กน้อยพร้อมทั้งมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการสังเกตเฉพาะจุดที่ควรต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนปฏิบัตินอกจากนี้ ผมขอแจ้งให้คุณทราบว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการวิคิดชีวิตอย่างประจบเหมาะได้พัฒนาไปมากแล้วตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาและยังคงพัฒนาต่ อ, ต อ, ตอไปคุณอาจเคยเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการวิจิดชีวิตอย่างประจบเหมาะหรือเคอยฟังเทปมาก่อนแต่คุณจะเห็นว่านังสือเล่มนี้ เป็นทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลึกขิดชีวิตอย่างกระจวกเหมาะและความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ที่ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งเป็นความรู้จักทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับคนที่เพิ่งเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ โดยไม่เคยอ่านงานเขียนของผมมาก่อนผมขอให้คุณอย่าพึ่งท้อถอยจงพยายามอย่างมากที่จะทำให้หนังสือเล่ม น, นี้เป็นหนังสือที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดในทุกยุกทุกสมยัยและผมคิดว่าคงจะทำได้ตามที่หวังไวเช่นนั้นอย่างไรก็ตาม เราก็คงต้องต่อสู้กับคำถามที่ลึกซึ้งบ้างและหลายครั้งคุณอาจรู้สึกว่าคุณอ่านไม่เข้าใจเลยคุณจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่แต่อย่าพยายามติดอยู่กับตอนใดตอนหนึ่งหรือหน้าใดๆก็ตามเพราะว่าแต่ละบทนั้นจะพัฒนาต่ อ, ตอไป จนถึงบทสุดท้ายซึ่งเมื่อคุณอ่านในบทต่อไปคุณก็จะกระจ่างมากขึ้นในจุดที่พบว่ามันคลุมเครือในตอนแรกในหนังสือเล่มนี้เรามีเป้าหมายอยู่สองประการประการหนึ่งเพื่อเข้าใจถึงวิธีการทำงานของการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะ และสองเพื่อเรียนรู้เทคนิคเฉพาะในการควบคุมพลังพลังที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณตั้งใจจะละเวลาเล็กน้อยเป็นประจำทุกวัน คุณจะพบว่าสิ่งอัศจรรย์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่อาจเป็นไปได้แต่มันมีอยู่มากมายซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกชั่วโมงและทุกนาทีในชีวิตคุณณเวลานี้มเมล็ดพันธุ์ที่เกาะเกิดชะตาชีวิตที่สมบูรณ์ได้ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ จงปลดปล่อยพลังที่ซ่อนเร้นนั้นออกมาและใช้ชีวิตที่น่ามหาัศจรรย์กว่าความฝันใดๆให้ผมให้ผมแสดงให้คุณดูถึงวิธีการเถิดโชคดวง ความบังเอิญคุณกำหนดได้ดีพักโชว์ปลา วัตถุจิตใจและจิตวิญญาณในช่วงเวลาที่เรารับรู้ถึงโลกที่แวดล้อมเราอยู่นี้เราจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับสถานภาพของเราภายในโลกใบนี้คำถามอมตะที่เรามักจะถามกันได้แก่ทำไมฉันจึงอยู่ที่นี่ ฉันเข้าใจระบบของสิ่งต่างๆได้แค่ไหนชะตาชีวิตของฉันเป็นอย่างไรตอนที่เราเป็นเด็กเราเฝ้าแต่คิดว่าอนาคตเป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปลา่าซึ่งเราสามารถขีดเขียนเรื่องราวของเราได้เองมันดูเหมือนมีสิ่งต่างๆที่เป็นไปได้มากมายไม่สิ้นสุดและเกิดแรงกระตุ้นภายในจากตัวเรา จากการที่เราตั้งมั่นว่าเราจะต้องค้นหาสิ่งนั้นให้จงได้และจากความพึงพอใจสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นไปได้มากมายเหล่านั้นแต่เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับขีดจำกัดของเราแล้วมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของเรากลับแคบลง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรู้สึกกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นความคับแคบและมืดมนมีวิธีหนึ่งที่จะนำความสุขกลับมาจากความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตนั้นและสิ่งที่ต้องการก็คือความเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นจริง คือความตั้งใจที่จะรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสรร พ, พสิ่งต่างๆและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่งโดยการใช้เทคนิคเฉพาะจะทำให้คุณพบว่าโลกเริ่มเปิดสู่คุณโชคและโอกาสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนานๆครั้งก็จะปรากฏบ่อยมากขึ้นมากขึ้น ถ้าคุณอยากรู้ว่าการลิขคิดชีวิตอย่างประจบเหมาะมีพลังมากเพียงใดแล้วลองนึกภาพตัวคุณที่อยู่ในห้องที่มืดสนิทพร้อมกับถือไฟฉายไว้ในมือกระบอกหนึ่งคุณเปิดไฟฉายขึ้นจึงทำให้คุณมองเห็นภาพวาดอันงดงามที่แขวนอยู่บนผนัง คุณอาจคิดว่านี่เป็นงานศินละปะที่วิเศษจริงๆแต่มันมีเพียงเท่านี้หรือทันใดก็มีแสงไฟส่องสว่างมาจากด้านบนคุณมองไปรอบๆและพบว่าคุณอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิละปะซึ่งมีภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังรอบตัวคุณเป็นร้อยๆภาพ ภาพแต่ละภาพนั้นงดงามกว่าภาพที่ผ่านๆมาขณะที่โอกาสเหล่านี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณคุณพบว่าเวลาทั้งชีวิตของคุณมีไว้เพื่อศึกษาและรักงานศินละปะคุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ดูแต่เพียงภาพวาดภาพเดียวที่ได้รับแสงสว่างจากไฟฉายอ่อนๆ อ, อ, อีกต่อไป นี่คือคำสัญญาที่วิธีการเล็กขิดชีวิตอย่างประจบเหมาะให้กับคุณมันทำให้แสงสว่างสองขึ้นและมอบความสามารถในการตัดสินใจที่แท้จริงแทนการเดาสุ่มให้กับเราในขณะที่กำลังก้าวไปข้างหน้าในชีวิตมันทำให้เราเห็นถึงเป้าหมายในโลกเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยงกันหรือความประสานสอดคล้องกันของทุกสิ่งทำให้เราตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตที่เราต้องการและประสบความสําเร็จในการแสวงหาทางด้านจิตวิญญาณและด้วยการเข้าถึงพลังที่กําหนดชะตาชีวิตนี้เราจะได้รับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามความมุ่งหมาย ขั้นตอนแรกในการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้คือการเข้าใจธรรมชาติของการดำรงอยู่ในสามระดับได้แก่ระดับที่หนึ่งโลกทางกายภาพการดำรงอยู่ในระดับที่หนึ่งนี้เกี่ยวข้องกับด้านร่างกายและด้านวัตถุซึ่งก็คือจักรวาลที่สามารถมองเห็นได้นั่นเอง นี่คือโลกที่เรารู้จักดีที่สุดซึ่งเราเรียกว่าโลกจริงมันประกอบไปด้วยวัตถุและสิ่งของต่างๆที่มีขอบเขตแน่นอนหรือทุกสิ่งที่เป็นสามมิติรวมทั้งทุกสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยการมองเห็น ได้ยินรู้สึกลิมล้มรสและดมกลิ่นนอกจากนี้ยังรวมไปถึงร่างกายของเราดินน้ำลมกาสจุลชีพโมเลกุลและหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้ในโลกทางกายภาพเวลาดูเหมือนจะเดินไปเป็นเส้นตรง จนเราต้องเรียกมันว่าสอนแห่งกาลเวลาซึ่งไหลจากอดีตสู่ปัจจุบันและต่อไปยังอนาคตสิ่งนี้หมายความว่าทุกสิ่งในโลกทางกายภาพนั้นมีจุดเริ่มต้นจุดกลางและจุดจบดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรตัวอย่างเช่น สิ่งมีชีวิตที่รับรู้ความรู้สึกได้นั้นต่างก็มีเกิดและมีตายหรือผู้เขาต่างๆที่สูงตระหง่านขึ้นมาจากแกนโลกที่หล่อล้อมที่หลอมเหลวนั้นก็ยังกลับต่ำเตี้ยลงด้วยการกัดซอะอย่างหนักหน่วงจากลมและฝน โลกทางกายภาพที่เราอาศัยอยู่นั้นถูกปกครองด้วยกฎแห่งเหตุและผลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าเราจะสามารถคาดเดาทุกสิ่งได้เพื่อว่าเราจะสามารถคาดเดาทุกสิ่งได้เช่นกฎทางฟิสิกส์ของนิวตันทำให้เราคาดการเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาได้ด้วยอย่างเช่น เวลาที่ลูกบบลเลียดกระทบกับอีกลูกหนึ่งด้วยน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งและมุมกระทบหนึ่งหนึ่งเราก็สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำว่าลูกนั้นจะวิ่งผ่านโต๊ะไปในทิศทางใดหรือนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้อย่างชัดเจนว่าสูรลูก ป, ปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และกินเวลานานเท่าใดความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสิ่งในโลกตามสามัญสานึกของเรามาจากสิ่งที่เรารู้จากโลกทางกายภาพนั่นเองระดับที่2โลกแห่งควนตั้มนาการดำรงอยู่ในระดับที่2ทุกสิ่งประกอบด้วยสสารและพลังงาน ซึ่งเรียกว่าโลกแห่งควอนตัมทุกสิ่งในระดับนี้ไม่ใช่วัตถุของแข็งหมายความว่าเราไม่สามารถสัมผัสหรือรับรู้วัตถุเหล่านั้นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าได้จิตใจความคิดและอัตตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณที่คุณมักจะคิดเหมือนกับคนอื่นๆว่าเป็นตัวตน ตัวตนของคุณเองนั้นล้วนเป็นส่วนประกอบในโลกแห่งควันตั้มสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีรูปร่างแต่คุณก็รู้ว่าตัวตนและความคิดของคุณนั้นเป็นสิ่งจริงถึงแม้ว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะคิดว่าโลกแห่งควันตั้มเป็นเรื่องของจิตใจแต่มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ในความเป็นจริงทุกสิ่งในจักรวาลที่เรามองเห็นได้นั้นเป็นการปรากฏขึ้นของพลังงานและสสารของโลกแห่งควอนตัมส่วนโลกแห่งวัตถุเป็นเพียงสับเซตของโลกแห่งควอนตัมเท่านั้นเองอีกวิธีหนึ่งที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้คือ ทุกสิ่งในโลกทางกายภาพประกอบด้วยสสารและพลังงานจากหลักสมการที่เรื่องชื่อของไอน์สไตน์คือ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองทำให้เราได้เรียนรู้ว่าพลังงาน E เท่ากับมวลสารคูณกับความเร็วแสงที่ยกกำลังสอง สมการนี้ทำให้เรารู้ว่าวัตถุและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่ในรูปแบบที่ต่างกันสรุปคือพลังงานเทียบเท่ามวลสารบทเรียนวิทยาศาสตร์บทแรกแกที่ใช้สอนในโรงเรียนคือวัตถุของแข็งทุกชนิดประกอบด้วยโมเลกุล และโมเลกุลก็ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กกว่าซึ่งเรียกว่าอะตอมเราจึงเข้าใจว่าเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่นี้ซึ่งดูเหมือนเป็นวัตถุของแข็งนั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยอะตอมที่เล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้โดยไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ต่อมาาก็เรียนรู้ว่าอะตอมเล็กๆนั้นประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม ซึ่งไม่ได้เป็นของแข็งเลยไม่ได้มีความเป็นของแข็งเลยท้จริงแล้วมันเป็นเพียงกลุ่มก้อนหรือคลื่นคลื่นของข้อมูลและพลังงานซึ่งหมายความว่านาการดำรงอยู่ในระดับที่สองเก้าอีของคุณที่คุณนั่งอยู่เป็นเพียงพลังงานและข้อมูลเท่านั้นเอง ในช่วงแรกอาจจะเข้าใจแนวคิดนี้ยากสักหน่อยที่ว่าเราจะสามารถรับรู้คลื่นของพลังงานและข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นวัตถุของแข็งได้อย่างไรคำตอบก็คือเหตุการณ์ต่างๆนโลกแห่งควรนตั้มเกิดขึ้นในระดับความเร็วแสงซึ่งในระดับนั้นประสาทสัมผัสของเราไม่สามารถปฏิบัติการสิ่งใด ที่นำไปสู่ประสบการณ์ในการรับรู้ของเราได้เลยเรารับรู้ว่าวัตถุแต่ละแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันเนื่องจากคลื่นพลังงานประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งถูกกําหนดโดยความถี่หรือการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานเหล่านั้นก็เหมือนกับการฟังวิทยุเมื่อหมุนไปสถานที่หนึ่ง เมื่อหมุนไปสถานีหนึ่งเช่น fm 101.5 สถานีนี้อาจจะเปิดแต่เพลงคลาสสิกเพียงอย่างเดียวเมื่อหมุนไปอีกนิดก็จะพบคลื่นวิทยุอื่นเช่น 101.9 คุณก็อาจจะได้ยินแต่เพลงร o อกแอนด์โรดังนั้น พลังงานจะเข้าคู่กับข้อมูลแต่ละชนิดโดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่มันสั่นสะเทือนโดยเหตุนี้โลกทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุและมวลสารจึงเป็นเพียงข้อมูลซึ่งบรรจุพลังงานที่สั่นสะเทือนและความถี่ที่แตกต่างกันเหตุที่เราไม่สามารถเห็นโลกในลักษณะที่เป็นโครงข่ายของพลังงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันได้มากมาย ก็เพราะว่ามันสั่นสะเทือนเร็วมากประสาทสัมผัสของเราซึ่งทำงานช้า ม, มากจะสามารถอ่านค่าได้จากกลุ่มของพลังงานและการวัดค่าของมันเองเท่านั้นกลุ่มของข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นเก้าอี้ร่างกายน้ำ และวัตถุทางกายภาพทุกสิ่งในจักรวาลที่เราสามารถมองเห็นได้มันก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราดูภา พ, พยนตร์เช่นคุณรู้ว่าภาพเคลื่อนไหวภาพหนึ่งเกิดจากภาพนิ่งจำนวนมากที่มีที่ขั้นระหว่างภาพนั้นๆถ้าคุณดูเฟรมภา พ, พยนตร์ ซึ่งอยู่บนล้อฟลีมในห้องฉายคุณจะเห็นว่ากรอบภาพแต่ละภาพนั้นเป็นช่องๆไปแต่เมื่อเราดูตอนที่เป็นภาพยนตร์แล้วภาพเหล่านั้นจะถูกฉายต่อเนื่องกันเร็วมากจนประสาทสัมผัสของเราไม่สามารถสังเกตเห็นว่าภาพแต่ละภาพนั้นไม่ต่อเนื่องกันซึ่งนั่นเป็นการรับรู้ของกระแสข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ณระดับควนต่มกลุ่มสนามพลังงานแต่ละกลุ่มที่สั่นสะเทือนในระดับความถี่ที่แตกต่างกันที่เรารับรู้ได้เป็นวัตถุของแข็งล้วนเป็นส่วนประกอบของสนามพลังงานทั้งกลุ่มก้อนของมันและถ้าเราสามารถรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในระดับควอนตัมเราก็จะพบว่าพวกเราทุกคนก็จะเป็นส่วนประกอบของแองพลังงานที่ใหญ่มาก ทุกสิ่งเช่นคนแต่ละคนและวัตถุทุกอย่างในโลกทางกายภาพเป็นเพียงกลุ่มของพลังงานกลุ่มหนึ่งที่ลอยอยู่ในแอง่งพลังงานนี้เนื้อช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งสนามพลังงานของคุณจะสัมพันธ์และส่งผลต่อสนามพลังงานของคนอื่นๆทุกคนซึ่งแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อประสบการณ์นั้นในลักษณะบางอย่าง พวกเราล้วนเป็นการแสดงออกของพลังงานและข้อมูลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบางครั้งเราสามารถรู้สึกถึงความสัมพันนี้ได้โดยแท้จริงแต่โดยปกติแล้วความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่บางเบาและบางโอกาสก็ชัดเจนมากขึ้นคนส่วนมากเคยมีประสบการณ์ในการเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและสัมผัสได้ถึงความรู้สึก ตึงเครียดมากมากเสียจนคุณอยากจะเอามีดตัดมันทิ้งหรือประสบการณ์ที่อยู่ในโบสถ์หรือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และดื่มดำไปด้วยความรู้สึกสงบนั่นคือการที่พลังงานทั้งกลุ่มก้อนจากสิ่งแวดล้อมผสมผสานเข้ากับพลังงานของตัวคุณเองซึ่งคุณสามารถรับรู้ได้ในบางระดับในโลกทางกายภาพ เรายังคงแลกเปลี่ยนพลังงานและข้อมูลกันอยู่อย่างต่อเนื่องลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่บนถนนและได้กลิ่นบุหรี่จากคนที่เดินอยู่ในตรอกข้างๆนี่หมายความว่าคุณกำลังสูดเอาลมหายใจของคนคนนั้นซึ่งอยู่ห่างไปประมาณหนึ่งรหลากลิ่นบุหรี่นั้น เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ที่บอกให้คุณรู้ว่าคุณกําลังสูดลมหายใจของคนอื่นอยู่ถ้าไม่มีกลิ่นนั้นหรือบุคคลที่เดินอยู่นั้นไม่ได้สูบบุหรีคุณก็ยังคงสูดอารมณหายใจของคนคนนั้นอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีควันบุหรีคุณก็ไม่รู้เท่านั้นเองแล้วลมหายใจคืออะไร ลมหายใจมันคือคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนที่มาจากกระบวนการการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทุกส่วนในร่างกายของคนแปลกหน้านั้นนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังสูดเข้าไปเช่นเดียวกับที่คนอื่นๆกำลังสูดลมหายใจของคุณเข้าไปดังนั้นเราทุกคนกำลังแลกเปลี่ยนเซี่ยวหนึ่งของตัวเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือโมเลกุลต่างๆางทางกายภาพที่สามารถวัดได้จากร่างกายของเราณระดับที่ลึกลงไปนั้นไม่มีขอบเขตที่แท้จริงระหว่างตัวตนของเรากับทุกสิ่งในโลกแม้แต่เวลาที่คุณสัมผัสกับวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นของแข็ง เนื่องจากขอบเขตที่แยกกันชัดเจน ร, ระหว่างคุณและวัตถุนั้นนักฟิสิกส์กล่าวว่าการที่เรารู้สึกว่าขอบเขตนั้นเป็นวัตถุของแข็งก็เพราะว่าทุกสิ่งประกอบไปด้วยอะตอมและความแข็งนั้นเป็นความรู้สึกของอะตอมที่วิ่งชนกับอะตอมแต่ลองพิจารณาดูว่าอะตอมคืออะไร อะตอมคือหนึ่งอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสเล็กๆเป็นแกนกลางและมีกลุ่มอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่ร้อมรอบเป็นวงขนาดใหญ่มากไม่มีขอบนอกที่ตายตัวมีเพียงกลุ่มอิเล็กตรอนกลุ่มหนึ่งเพื่อหเห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลงนึกภาพ ถัวเม็ดหนึ่งซึ่งอยู่กลางสนามฟุตบอลเม็ดถั่วแทนนิวเคลียสและสนามกีฬาคือขนาดขนาดวงกลุ่มอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสเมื่อเราสัมผัสวัตถุชิ้นหนึ่งเรารับรู้ถึงความแข็งได้เมื่อสัมผัสดโดนกลุ่มอิเล็กตรอน นี่คือติการติความหมายของคำว่าของแข็งซึ่งก่อให้เกิดการตอบสนองหรืออาจไม่ตอบสนองเมื่อเปรียบเทียบกันประสาทสัมผัสของเราดวงตาของเราถูกกำหนดให้มองเห็นวัตถุต่างๆเป็นสามมิติและเป็นของแข็งส่วนปลายประสาทของเราก็ถูกกำหนดให้รู้สึกว่าวัตถุต่างๆนั้น เป็นสามมิติและเป็นของแข็งเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงของโลกแห่งควอนตัมไม่มีวัตถุของแข็งใดๆเลยและเมื่อกลุ่มของอิเล็กตรอนสองกลุ่มมาปะทะกันจะเกิดความเป็นของแข็งหรือไม่คำตอบคือไม่มันจะรวมตัวกันแล้วแยกจากกันสิ่งนี้คล้ายๆกับเวลาที่คุณสัมผัสวัตถุอื่น สนามพลังงานของคุณและกลุ่มอิเล็กตรอนประทะกับสนามพลังงานของวัตถุ น, นั้นมีส่วนเล็กน้อยที่รวมกันแล้วก็แยกจากกันถึงแม้ว่าคุณจะรับรู้ว่าร่างกายของคุณคงอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วคุณได้สูญเสียสนามพลังงานของคุณส่วนหนึ่งให้กับวัตถุ น, นั้นและได้รับสนามพลังงานของวัตถุนั้นส่วนหนึ่ง กลับมาทดแทนซึ่งในทุกครั้งที่มีการประทะกันเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพลังงานแล้วเราก็หลุดออกมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิดลักษณะเช่นนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งต่างๆในโลกของทางกายภาพเราทุกคนกำลังใช้สนามพลังงานบางส่วนร่วมกันเสมอ ดังนั้นแล้วเราทุกคนที่อยู่ในสนามระดับขวัญต่ำนี้หรือระดับของจิตใจและตัวตนของเราล้วนเชื่อมต่อกันเราทุกคนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วมันจึงอยู่ที่จิตสํานึกของเราเท่านั้นเองที่จะรับรู้ว่าประสาทสัมผัสที่มีขีดจำกัดของเรา เป็นตัวสร้างโลกแห่งวัตถุจากข้อมูลและพลังงานล้วนๆแต่จะเป็นเช่นไรถ้าเราสามารถมองเห็นโลกแห่งควอนตัมหรือถ้าเรามีดวงตาควอนตัมในดินแดนแห่งนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของแข็งในโลกทางกายภาพแท้จริงแล้วกำลังวูบเข้าวูบออกจากความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขต ณระดับความเร็วแสงจากกระวนก็เป็นปรากฏการ์เปิดปิดเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวภาพหนึ่งซึ่งเกิดจากการเรียงลำดับภาพนิ่งและช่องว่างความต่อเนื่องของความเป็นวัตถุของโลก คงอยู่ในจินตนาการที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยประสาทสัมผัสโดยไม่สามารถรับรู้คลื่นของพลังงานและข้อมูลที่สร้างจากการดำรงอยู่ในระดับของควันตั้มได้ในความเป็นจริงเราทุกคนกำลังวูบเข้าวูบออกจากการดำรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถปรับประสาทสัมผัสของเราให้ละเอียดขึ้น เราจะเห็นช่องว่างต่างๆในการดำรงอยู่ของเราได้เราอยู่ที่นี่และไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งการรับรู้ความต่อเนื่องถูกยึดไว้ด้วยความทรงจําของเราเท่านั้นเองมีตัวอย่างหนึ่งในการอ้างอิงถึงประเด็นนี้ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทราบกันดีว่าหอยทากตัวหนึง่งใช้เวลาประมาณ3วินาทีในการรับรู้แสงดังนั้นลองจินตนาการว่ามีหอยทากตัวหนึ่งกำลังมองผมอยู่และผมก็ออกจากห้องนั้นไปปล้นธนาคารแล้วกลับมาในสมวินาทีตามการรับรู้ของหอยทากนั่นเอง ผมไม่เคยออกจากห้องนั้นเลยผมสามารถนำมันไปเป็นพยานที่สารเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ของผมได้เป็นอย่างดีสําหรับหอยทาคแล้วเวลาที่ผมไม่ได้อยู่ในห้องจะตกลงไปในอยู่จะตกลงไปอยู่ในช่องว่างช่องหนึ่งในบรรดาช่องว่างต่างๆที่อยู่ระหว่างภาพนิ่งของการดำรงอยู่ที่วูบเข้าวูบออก การรับรู้ความต่อเนื่องของหอยทากสันนิษฐานว่ามันมีเช่นกันไม่สามารถรับรู้ช่องว่างนี้ได้โดยง่ายดังนั้นแล้วประสบการณ์ทางด้านประสาทสัมผัสของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจินตนาการเพื่อรับรู้ความจอมปลอมโดยแท้จริง มีเรื่องเล่าในนิกายเซนเรื่องหนึ่งพิกษุสองรูปกำลังมองธงผืนหนึ่งที่โบกสะบัดอยู่พิกษุรูปแรกกล่าวว่าธงกำลังโบอกอยู่พิกษุรูปที่สองกล่าวว่ามีใช่ลมตั้งหากที่กำลังพัด เมื่ออาจารย์ทั้งสองของภิกษุมาถึงจึงถูกตั้งคำถามว่าท่านอาจารย์ใครเป็นฝ่ายถูกข้าบอกว่าธงกำลังโบกอยู่แต่เขาบอกว่าลมกำลังพัดอาจารย์ตอบว่าเจ้าผิดทั้งคู่ มีเพียงจิตสำนึกที่กำลังเคลื่อนไหวในขณะที่จิตสำนึกเคลื่อนที่จึงก่อให้เกิดจินตนาการว่าโลกดำรงอยู่ดังนั้นจิตใจจึงเป็นดินแดนแห่งพลังงานและข่าวสารข้อมูล ความคิดทุกความคิดก็เป็นพลังงานและข่าวสารข้อมูลเช่นกันคุณจินตนาการว่าร่างกายของคุณและโลกแห่งวัตถุทั้งใบนี้มีอยู่โดยการรับรู้ว่าแห่งพลังงานเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ทางกายภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วจิตใจที่ควบคุมจินตนาการนี้มาจากที่ใด ดีพักโชว์ปลาโชว์ดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้